พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราคอยเตือนตอนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังเจริญมักที่ควรเจริญให้มากควรเจริญให้สมบูรณ์หรือเรากำลังเจริญสมุทัย ต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากต่างๆถ้าเราคอยเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆถามตัวเราอยู่เรื่อยๆตรวจ ด, ดูการกระทาของเราอยู่เรื่อยๆเวลาเราทำในสิ่งที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้แก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนแปลง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 นี่คือให้ศึกษาให้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอะไรทําให้เราต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้ทำไมเราต้องมาเกิดทำไมเราต้องมาแก่ทำไมเราต้องมาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนว่ามันเป็น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 และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้เป็นต้นเหตุของการที่ทาให้เราต้องมาเจอทุกข์กันมาเจอาการเกิดเจอการแ ก, ก่เจอการเจ็บเจอการตายเจอการพัดพากจากกันเราอย่าไปทางนี้ถ้าไม่ไปทางนี้เราก็ต้องละสมุ ท, ทัยท่านยังทร ง, งสอนให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 ความอยากต่างๆได้ละสมุทัยได้ท่านก็ทรงสอนว่ามรคคือมรคมรคคือทางลึกทางปฏิบัติสู่การละตัณหาทั้งสามสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นอริยาสาัจข้อที่สามการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงท่านเรียกว่านิโรธนิโรธนี้ต้องทําให้แจ้ง เราต้องทําให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ของเหล่านี้ให้แจ้งให้ได้และทําได้เพราะว่ามีคนทํามาแล้วนี่เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านทํานิโรธได้ให้แจ้งได้แล้วและวิธีที่ท่านทํานิโรธให้แจ้งก็คือการเจริญมรรคย์ให้สมบูรณ์นั่นเองเจริญทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์ถ้ามีทานศีลภาวนา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 มันก็ตายเหมือนกันแต่ตายแบบนายสิบนี้สบายกว่าตายแบบนายร้อยเพราะคุณกำลังร้อนกำลังทุกข์กับการอยากจะเป็นนายร้อยพอคุณไปเป็นนายร้อยคุณก็จะทุกข์เพราะคุณอยากจะเป็นนายพันพอพูดให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจทันทีเขาบอกใจเขาล่องขึ้นมาทันทีเขาว่าทุกข์มากทุกข์กับความอยากที่จะเป็น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 คือการกําหนดรู้ทุกข์ก็ต้องกําหนดรู้ด้วยมั้งอะไรเป็นตัวที่จะคอยกําหนดรู้ทุกข์ก็คือตัวตัวสัมมาทิฏฐิหรือตัวสติปัญญานี้เองเราต้องคอยสอนใจเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าการเกิดเป็นทุกข์ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันที่เป็นความทุกข์ทั้งนั้น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 และสิ่งที่จะกําจัดได้ก็คือมรรคเท่านั้นไม่มีอะไรจะกําจัดได้มรรคก็ต้องมีสมบูรณ์ทานศีลภาวนาทานก็ต้องเต็มร้อยศีลก็ต้องเต็มร้อยภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็ต้องเต็มร้อยเต็มร้อยก็คือระดับมหาสติมหาปัญญานี่เอง ถ้าอยู่ในระดับมหาสติมหาปัญญาก็ถือว่ามีสมถะเต็มร้อยมีวิปัสสนาเต็มร้อยจิตหมุนตลอดเวลาด้วยการพิจารณาทุกอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆพิจารณาอนัตตาว่าของสิ่งของต่างๆสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรืออยากได้มานี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง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 เวลาไม่ว่าจะสัมผัสกับอะไรเห็นรูปก็พิจารณาทันทีว่าเป็นตายล้ได้ยินเสียงก็พิจารณาทันทีว่าเป็นตายแล้วจนปล่อยวางถ้ายังไม่ปล่อยวางถ้ายังหลงยังชอบยังชังอยู่ก็ต้องพิจารณาพิจารณาไปจนกว่ามันจะไม่รักไม่ชงังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรูบร้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้แม้ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกใจหรือส่วนที่อยู่ภายในใจคือธรรมอารมณ์ทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตมันมันสมบูรณ์ถ้าการภาวนาสมบูรณ์นี้จะเป็นมหาสติมาหาปัญญาจะไม่มีเวลาเผลอที่จะปล่อยให้ใจไป ก็ทำตามความอยากต่างๆมีแต่จะใช้ปัญญาคอยตัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจนะการที่จะสร้างมรรคให้เต็มร้อยได้ก็ต้องเริ่มจากจุดที่เรายืน อ, อยู่ตอนนี้เราสร้างได้เท่าไหร่ถ้าเราอยังสร้างได้ร้อ ย, อยสิบเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไป อย่ายืนอยู่กับที่มาวัด น, นี่ก็สิบอดปีแล้วยังทำบุญเท่าเดิมอยู่หรือเปล่ปาเคยบร่อจากร้อยะสิบนี่ก็ยังร้อยะสิบอยู่หรือเปล่ปาถ้าร้อยละสิบก็ไม่มีวันที่จะเดินก้าวหน้าได้สิบปีนี้มันจะควนร้อยละเก้าสิบแล้วหรือร้อยละร้อยแล้วบางคนมีใช่ไหมคนบางคนก็ไปอยู่วัแววดแล้วไปบวชแล้วกาทำทฐานร้อยละร้อยแล้ว เขาไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขต่างๆแล้วเขาสละเงินให้กับวัดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดไปเอาเงินนี้มาใช้ให้เป็นมรรคขึ้นมาใช้เพื่อส่งเสริมการภาวนาเวลาเราไปภาวนาเราก็ต้องพึ่งพาวัดวัดก็ต้องพึ่งพาเงินทองของคารวาญาติโยม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 ไม่มีภาระไม่มีความกังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาวิตกมากังวลมาคอยดูแลรักษาเราจะได้มีเวลาได้บาเพ็ญอย่างเต็มที่การที่จะบาเพ็ญอย่างเต็มที่นี้ต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาคอยอคอยดึงใจเราไป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 แกแยกไปยามค่าก็บางทีเขาก็ต้องชวนไปสังสรรค์ไปรับประทานอาหารค่ากันก็ต้องไปแต่ถ้าเรารักษาศีลในวันวันหยุดการทำงานเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเราก็จะรักษาศีลแปดได้ง่ายอันนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาวันพระคือวันหยุดทำงาน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 ไม่ให้รับหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารแบบรับประทานยารับพอเยอียวยาให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ไม่ให้หิวก็พอไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการดูการฟั ง, ฟงพวกมหมอรสบบันเทิงอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่งเข่าแต่งผม แต่งเสื้อผ้าอาพรต่างๆให้สวยให้งามเป็นความสุขปลอมความสุขเดี๋ยวๆไม่มีไม่มีสาระอะไรซูเอาเวลาที่จะต้องมาเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวเหล่านี้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าแล้วก็ให้ละเว้นการหลับนอนมากเกินไปร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนหลับนอนขึ้นแล้วสี่ห้าชั่วโมงก็พอ ถ้านอนบนฟูกหนานๆะบนบนบนฟูกที่นุ่มและนอนสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกเพราะมันแสนจะสบายแสนจะสุขก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงเวลาที่เราจะได้เอามาใช้ในการเจริญมากก็จะเสียไปเปล่าๆนี่คือหน้าที่ของการของของศีลแปดเพื่อกำจัด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 ถ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะได้รับนิบบานังประมังสุขขังความสุขของพระนิพพานที่เป็นบรมสุขเนยความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้เรียกว่าพระนิพพานและความสุขของพระนิพพานก็เรียกว่าบรมสุขเป็นปรมังสุ ข, ขัง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 ถ้ามีสติคอยควบคุมใจถึงแม้ว่ากิิยาของร่างกายไม่ได้อยู่ในท่าของการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ตามก็ถือว่ากำลังทําความเพียรอยู่ทําความเพียรในเอเรียบ ท, ทั้งสี่เช่นพอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้าจะคิดก็ให้คิดในวงจากัด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 ที่เป็นค้าศึกษัตรูของใจงการเจริญสตินี้จะทําให้ใจนิ่งใจตั้งมั่นใจเป็นสมาธิได้เวลานั่งสมาธิถ้าต้องการให้ใจรวมนี้จะต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็กําหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้จะอยู่กับการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ข้อสําคัญต้องมีสติ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 เวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วจิตก็จะเน่งสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆปราศจากอารมณ์วุ่นวายต่างๆเช่นความรักความชางังความกลัวความหลงนี่ก็จะหายไปเหลือแต่อุบเบกขาสักแต่ว่ารู้นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสมาธิเราจะได้จิตที่สงบและเราจะได้ความสุขที่เรียกว่า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 เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือจากการให้คนนั้นคนนี้สิ่นส ง, นงนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขได้แต่ถ้าเร า, า Serbia, ใใยังไม่มีความสุขภายในใจยังไม่มีความสงบเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อให้เรามีความสุขกับเขาแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว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 ถ้าไปดูจิตเฉยๆไปดูมันทำไมดูดูจิตนี่ให้ดูกิเรที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตดูตัญหาที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตดูแล้วก็ดูว่ามีเรามีอาวุธที่จะฆ่าตัญหาที่มันโผล่ขึ้นมาหรือไม่อันนี้ต่างหาเรื่องของการดูจิตให้ดูแบบนี้การจะดูจิตได้อย่างจริงๆนี่ต้องต้องหนังจากที่จิตรวมเป็นสมาธิแล้ว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 ทำหน้าที่โดยไม่มีอาวุธเปิด น, นี้เวลาข้าศึกศัตรูบุกเข้ามาบ้านเราจะทำไรก็มีแต่วิ่งหนีทั้งนั้นไม่สามารถที่จะยับยั้งข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามาทําลายบ้านช่องของเราได้เราต้องเราจึงต้องให้อาวุธแก่ทหารฉันใดเราก็ต้องให้อาวุธแก่มาร์กมาร์กก็คือทหารที่จะคอยทําลายสมุทรไทยที่เป็นข้าศึกศัตรูของใจอาวุธของมาร์กก็คือปัญญา คือสมาธิคือสติสติเราก็ได้แล้วได้สมาธิแล้วยี่งขั้นต่อไปเราก็ต้องสร้างอาวุธคือคือปัญญาขึ้นมาสติกับสมาธิทำให้เราไปตั้งเป้าตั้ ง, ต, งตั้งฐานอยู่ในเขตที่ข้าศึกศัตรูจะเข้ามาเราต้องอยู่ใกล้กับเหตุการ์ถึงจะรับกับเหตุการ์ได้ ไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพแล้วปล่อยให้ข้าศึกบุกเข้ามาตามชายแดนเนี่ยถ้าทหารไปตั้งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยข้าศึกศัตรูก็เข้าเข้ามาในประเทศได้อย่างสบายทหารต้องไปอยู่ตามชายแดนเวลาข้าศึกศัตรูเข้ามาจะได้ต่อสู้กันได้ยับยั้งเขาได้ฉันใดข้าศึกศัตรูของใจก็อยู่ในใจคือสมุทัยกิเลตันหานี้อยู่ในใจแต่มากของพวกเรายังมยังไม่ได้อยู่ในใจยังไม่มีอยู่ในใจ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 กิเลสตัณหานี่มันทำงานอยู่ในใจเรามาตลอดเวลาแต่เครื่องม้เครื่องมือที่จะทำลายมันนี้ไม่ได้อยู่ในใจเพราะเราไม่มีเราต้องไปอาศัยเครื่องม้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาเครื่องม้เครื่องมือนี้เอาเข้ามาสู่ภายในใจของเราให้ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิพอได้สติได้สมาธิจิตก็จะรวมเข้าไปมรรคก็จะเข้าไปได ในสมาธิเข้าไปในใจในจิตแล้วเราก็ต้องเจริญมากต่อไปคือปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่เนืองเนืองพิ จ, จารณาไตรักอยู่เนืองเนืองพิจารณาอาสุภะอยู่เนืองเนืองพิจารณาอาหารเลยปฏกูลสัญญาอยู่เนืองเนืองพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะว่านี่คืออาวุธที่เราจะใช้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือความอยากต่างๆนี่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 เรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังเจริญมกักหรือเรากําลังเจริญสมุชัยเร า, ากําลังทําตามความอยากหรือเรากําลังฝืนความอยากกันถ้าเราทําตามความอยากายาก็สแสดงว่าเราไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้า ส, งส่งสั่งสอนเมื่อเราไม่ทําตามที่พระเจ้าส่งสั่งสอนเราจะไปเรียกว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าได้อย่างไรน พระพุทธเจ้าบอกผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพวกนั้นคือผู้บูชาเราตถาคตนะถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบบชาไม่ใช่เพียงแต่การกราบไหว้ต่อหน้าพระพุทธรูปจุบทูบเทียนสามดอกแล้วก็ถวายดอกไม้ทูบเทียนเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอามิสบูชา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 อิชิตังปฏิตังต um ุมหังคิปาเมวะสมิตจัตุสัพเเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสพภิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาธนาศสีลิตสนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมมวะทานติอายุวโนโสุขังภาลางังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาท่านผู้ใดมีคำถาม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 ก็ศรัทธาความเชื่อถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่อมันก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติกันแล้วประกอบกับโลกก็จเจริญไปในทางด้านวัตถุกันมากกระแสของวัตถุนิยมก็จะดึงดูดจิตใจของคนให้ไปหลงอยู่กับ ก, บการหาความสุขทางวัตถุกัน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 ำออคำถามจากคุณสายทิพย์เวลาที่เราเหงาหรือกลัวว่าจะเกิดการพรัดพรากเช่นพ่อแม่ที่แก่เท่าวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเราควรทำใจอย่างไรคะก็เออบื้องตน้นถ้ามีความรู้สึกไม่ดีก็ทำใจให้สงบก่อนนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน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 แต่ขนาดที่เศร้านี้ถ้ายิ่งไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ยิ่งจะทำให้จิตใจเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนั้นใจไม่ยอมรับความจริงงั้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนเพื่อที่จะกำจัดเรือกดตัวที่ไม่ยอมรับความจริงก็คือความหลงความหลงนี้จะทำให้เราไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตาย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 แต่หนูไม่มีเงินส่งเลยเกิดความทุกข์ขึ้นจะแก้ความทุกข์นี้อย่างไรคะก็อย่าไปยากให้เขาเรียนนะเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนคําถามจากคุณพงษ์สวัสด์ขันห้าดับด้วยอะไรครับอ๋อขันห้ามันดับด้วยธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันนี่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับของมันไปเองร่างกายนี่มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายไปของมันเอง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 หน้าที่ของเราไม่ได้อยู่ที่การที่เราจะมาดับขันความใจไปหน้าที่ของเราคือมาเข้าใจขันว่าเขาเป็นเขาเป็นอย่างไรแล้วอย่าไป ห, หลงไปยึดไปติดกับเขาเท่านั้นเองเช่นร่างกายเขาไม่ใช่เป็นตัวเราอย่าไปหลงคิดว่าเขาเป็นตัวเราเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไปห้ามเขาไม่ได้ให้รู้ความจริงแล้วจะได้ตัดความอยากที่สร้างความทุกข์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 มันจะทุกข์ก็ต้องทุกข์ตอนนั้นเองถ้าเราไม่ไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปอยากกับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์ปัญหาของเราอยู่ที่ความหลงไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดะงนั้นเราต้องแก้ด้วยปัญญาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของเขา <ımız S 2> เราไปห้ามไปเปลี่ยนทำ <ächlich S 1> ไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอยากไปอยากเราอยากไปพยายามเปลี่ยนเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์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 ความคิดนี่มันไปได้ทั้งสองทางคิดไปในทางที่เป็นคุณก็มีคิดไปในทางที่เป็นโทษก็มีนั้นหน้าที่ของเราก็คือเวลาคิดไปในทางที่เป็นโทษเราต้องระงับมันด้วยการดึงมาให้มันไปคิดในทางที่เป็นคุณเชน่นเราคิดกังวลเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับชีวิตของเราได้มาคิดทางปัญญาแทน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 ถ้ามันคิดไปแล้วทำให้เรามีความสุขก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามันคิดไปในทางที่ทำให้เราทุกข์นี้เราต้องหาวิธีระ ง, งับมันให้ได้วิีสองวิธีวิธีหนึ่งก็ใช้สติหยุดมันให้มันสงบเป็นสมาธิวิธีที่สองก็ให้มันคิดไปในทางปัญญาคิดว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทาให้เราปล่อยวางได้ แล้วเราก็จะหายทุกข์ความจริงเวลาก็พอสมควรนะถ้าไม่มีกครถามอะไรก็เกว่าข อ, อายุติการประชมุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้จงท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิย์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป Turn.